ขี่กันก็ไม่สะเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคำเทศก็รู้จะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยแล้วอยังไงก็พิจาณา ฟ, ฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก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 ทำที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยทอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงสาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นสรรนงังคาถามีอันมือสุดสุ ด, ส, ดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอบพระการทระปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้มิเศษทั้งหลายที่เรากราอ้างมาเป็นสนรานนี้ไม่ได้สําเร็จมาจากอันใด น, นอกจากมัชฌิมาปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้ น, นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบําเพ็ญกุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดําเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึขอได้พากันเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆ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 ีเกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมาผลนิพพานกระการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน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 ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกแต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกนอกจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจงสอนให้แก่กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมา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 ถึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมคนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละมีได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านหุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจพราะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาว น, นาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญา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 คุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กัตมุทัยทั้งหมดที่ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามากสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมารนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความจิดฝังทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กัต ม, มุทยัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกหากห้าง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 ออประนันทิบาแรแหลกประหมดอย่างนั้นเหรืออาธินาทานแหลกประหมดอย่างนั้นเหรือการไม่ชุณยกาแรแหลกประหมดมุตสาวาทแหลกประหมดบูราแหลกประหมดกินทุกวันอย่างั้นหรือถึงว่าผิต่รอรามัชฌิมาฮะเพราะว่าไม่เข้าใจค่ตองั้วนี่ว่าไม่ถูกว่างั้นก็ต้องถามเพความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกไฮะเพราะว่างั้นคื <laughs> <S <S <laughs> อคอยจะฟังประนันิบารให้ฟังแล้วหลักการมัชฌิมา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 หรือว่มือสมมวมันก็ค่ายิ่งขึ้นเรื่อยๆทจะเจริญขึ้นเรื่อยๆอธิษาอธิษฐาอธิติตขาอะไรทั้นกว่าออกลงไปมองไปต่อไปก็ราบเออเราย่านี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดกันนะ ขิจตงปัิกังก่งคุมหางคิประเมวนิจตูตัดเทตูเรนตูสังกะปาจานโทพนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีคายุโคภะ